สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เสียงใบบานนะครับในเช้าวันนี้ <c oughs> เราอยู่ในชุตพระเยซูตอนที่สองร้สเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่ห้าสิบห้าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเปรียบเทียบว่าคําอธิษฐานของพระเยซูที่ทรงตรัสสอนพวกเราอธิษฐานบอกว่าขอทรงโปรดยกบาปผิด แล้วก็พูดมาถึงเรื่องของความบาปนั้นก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับกีฬาฟุตบอล น, นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ผมก็ได้นําไปพี่น้องถึงหลักการสี่อย่างด้วยกันก็คือความบาปนั้นทําให้เราต้องสังนึกผิดความบาปนั้นทําให้เราต้องรับการอภัยโทษจากพระเจ้าและการอภัยโทษจากพระเจ้าจะต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเท่านั้นการสารภาพบาปจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น เพื่อที่จะรับการยกโทษแต่ที่สําคัญก็คือว่าการที่จะรับการยกโทษนั้นจะต้องมีการยกโทษซึ่งกันและกันก่อนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะครับเราจะมาดูครับหากว่าชีวิตของเรานั้นสําหรับหลายหลาคนที่เป็นคริสเตียนที่ไม่ค่อยให้ความสนใจหรือไม่ค่อยให้ความสําคัญไม่ค่อยให้น้ําหนักของการสารภาพบาปและรับการอภัยโทษจากพระเจ้า เรากําลังเป็นคริสเตียนที่สูญเสียความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีจากอะไรครับความชื่นชมยินดีจากการรับการอภัยโทษบาปเรากําลังสูญเสียความซาบซึ้งใจเรากําลังสูญเสียการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นแท้จริงแล้วเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าอย่างมากสําหรับการอภัยโทษบาปนั้นเพราะว่าการอภัยโทษบาปนั้น เป็นสิ่งที่เปิดทางเราเข้าสวรรค์เป็นเบื้องต้นของการที่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นเบื้องต้นผมใช้คำเบื้องต้นนั้นหมายความว่าทุกๆุกวันในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้องเริ่มต้นเบื้องต้นก็คือจะต้องสารภาพบาปเสียก่อนพี่น้องครับก่อนที่เราจะนอนทุกคืนพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานสารภาพบาปเราต้องรับการไถ่โทษจากพระเจ้า อย่านอนหากว่าเรายังไม่ได้อธิษฐานขอการอภัยโทษจากพระองค์อย่านอนถ้าว่าเราไม่ได้สารภาพบาปพี่น้องครับการ อ, อภัยโทษบาปนั้นเป็นจริงได้โดยทางพระเยซูเท่านั้นผมขอนเน้นอีกครั้งนะครับว่าการรับการอภัยโทษบาปจะเป็นจริงได้ก็โดยผ่านทางพระเยซูเท่านั้น พระเจ้าไม่สามารถจะยกโทษบาปของเราได้จนกว่าพระองค์นั้นจะวางโทษของความบาปลงบนใครสักคนหนึ่งเสียก่อนและผู้นั้นก็คือพระเยซูและนี่เป็นเหตุที่ทําให้พระเยซูนั้นจะต้องเสด็จมาในโลกนี้และทรงสิ้นพระชนคําว่าจะ ต, ต้องนั้นก็คือเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในการไถ่ความบาปครับแต่ในขณะที่ใช้คําว่าจะต้องนะครับ มีคำอีกคำหนึงก็คือว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงยอมครับพระองค์ทรงเสียสละพระชนชีพของพระองค์พระองค์ทรงยอมที่จะเดิเข้ามาด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับครับเพราะฉะนั้นจะต้องนี้มีความหมายว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าจะต้องมีใครบางคนเสียชีวิตที่ก่อนพระเจ้าจะต้องวางโทษของความบาปที่เราทุงหลายทุกคน จะต้องรับนั้นอยู่บนพระเยซูพี่น้องครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาหลักๆ ก, ก็คือการอาภัยโทษการอาภัยโทษนั้นมีสองแบบด้วยกันครับในวันนี้เราจะพูดถึงแบบที่หนึ่งก่อ น, นครับการอาภัยโทษมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือการอาภัยโทษเชิงพิจารณาคดีหรือการอาภัยโทษเชิง สารสทธิ์ยุติธรรมอีกแบบหนึ่งครับก็เป็นการอภัยโทษแบบที่เรียกว่าในเชิงของความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องแรกก่อนครับคือการอภัยโทษในเชิงพิภาคษาพิจารณาคดีทางสารผมใช้ง่ายๆนะครับก็คือว่าการอภัยโทษทางสารในเชิงสารนะครับการไม่โทษในเชิงสารนั้น ถือว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษายิ่งใหญ่สูงสุดครับเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษายิ่งใหญ่สูงสุดหากพระองค์ตัดว่าใครมีความผิดใครและเมิดกดก็จะต้องถูกพิพากษาตัดสินและรับการลงโทษอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับถ้ากว่าพระเจ้าบอกกับเราว่าเจ้ามีความผิดศึกษาเจ้ามีความผิดศึกษา เจ้าละเมิดกฎจะต้องถูกพิพากษาครับครครับศึกษาครับแต่ผู้พิพากษาคนเดียวกันนี้เองตัดต่อไปว่าจากการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ตรงได้ทรงรับการลงโทษของศึกษาไปแล้วตรงทรงรับความผิดแทนศึกษาตรงทรงชำระหนี้บาปของศึกษาเหมาะสมตามราคาแล้ว เราพระเจ้าขอประกาศว่าศึกษาได้รับการอภัยโทษแล้วพี่น้องครับพี่น้องลองเปลี่ยนคำพูดของพระเยซูนะครับและคำตรัสของพระบิดาเจ้าซึ่งเป็นผู้วิพากษาได้บอกว่าจากการสิ้นพระชนของพระคลิกนั้นพระองค์ได้ทรงรับการลงโทษของท่านใส่ชื่อท่านครับ พระองค์ทรงรับความผิดแทนท่านใส่ชื่อท่านครับพระองค์งชำระหนี้บาปของท่านใส่ชื่อท่านครับเหมาะสมตามราคาแล้วพระเจ้าประกาศว่าใส่ชื่อท่านครับได้รับการอภัยโทษแล้วพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราทั้งหลายได้รับการอภัยโทษเมื่อเราสารภาพบาปและมีท่าทีแห่งการกลับใจ อย่างแท้จริงในใจของเราในชีวิตของเราแต่หลายคนนะครับก็บอกว่าคัมภีร์ น, นั้นเป็นศาสนาที่เห็นแก่ตัวเป็นศาสนาที่เอาดีเข้าตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกคุณเนี่ยสามารถสารภาพบาปได้นะครับพวกคุณไม่ต้องชดใช้กรรมแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงให้อภัยโทษบาปก็ต่อเมื่อเราสารภาพบาปและพี่น้องครับ ต้องสนใจให้ความสำคัญกับว่าและนะครับและมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ครับไม่ใช่ว่าสารภาพแล้วกลับไปทำอีกแต่สารภาพแล้วจะต้องมีท่าทีที่จะรังเกียจความบาปที่เราสารภาพรังเกียจความบาปที่เราทำไปแล้วและมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงในชีวิตของท่านของโรของผมและของพวกเราพี่น้องครับนี่คือ แพ็กเกจของการกลับใจใหม่นี่คือแพ็กเกจของการอภัยโทษบาปนี่คือแพ็กเกจของการสารภาพบาป พ, พี่รองครับการยกบาปไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นครับเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเล่นเล่นทำให้พระโลหิตของพระเยซูเสียมูลค่าไปเสียของไปหลายๆครั้งนะครับเราการให้เราทาให้การให้อภัยโทษบาป ของพระเจ้านั้นเบาเบาเกินไปแสดงว่าเรากําลังลดพระเกียรติของพระเจ้าเรากําลังไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงเรื่องในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทํำเพื่อเราพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นผู้พากษาอันชอบธรรมแห่งสากลโลกแห่งจักรวาลนี้พรงทรงโปรดอภัยโทษบาปของเราอย่างบริบูรณ์ครับโดยพระองค์ประทานความรอด ผ่านชีวิตนิรันดรและการอภัยโทษในเชิงสารครับความบาปทั้งสิ้นของเราทั้งความบาปในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตความบาปที่เราทําไปแล้วความบาปที่เรากําลังทําอยู่หรือที่กําลังจะทําในอนาคตในความผิดพลาดในการล่วงละเมิดในการพลาดเป้าในการลื่นล้มลงในการติดหนี้ทั้งหลาย ล้วนได้รับการอภัยโทษโดยชิ้นเชิงครับล้วนได้รับการอภัยโทษโดยสิ้นเชิ ง, ลชงและเราก็ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ในทุกๆข้อหาที่มารซาตานฟ้องเราพี่น้องครับผู้ฟ้องร้องก็คือมารซาตานครับมันกําลังฟ้องเราว่าศึกษากําลังทำบาปศึกษากําลังคิดไม่ดีศึกษากําลังพูดไม่ถูกศึกษากําลังกระทํำในสิ่งที่ ไม่ชอบพระไท่ของพระเจ้ามันฟ้องร้องผมมันฟ้องร้องพี่น้องตลอดเวลาอยู่ต่อเบื้องว่าพักของพระเจ้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พักษาที่ยิ่งใหญ่สูงสุดนั้นพระองค์ก็จะประกาศว่าศึกษานั้นเป็นคนชอบธรรมเป็นคนบริสุทธิ์แล้วเป็นคนที่เรายกโทษให้อภัยบาปอย่างสิ้นเชิง แล้วพี่นงครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแน่นอนครับเกิดขึ้นเมื่อเราคุกเข่าลงอธิษฐานสารภาพบาปและมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นทันทีที่คนคนนั้นเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตทันทีที่เรารับการไถ่าบาป ทันทีที่เราไว้วางใจในพระเยซูทันทีที่เรารู้สึกสำนึกว่าเราเป็นคนบาปทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปเมื่อเราทำแพ็กเกจนี้นะครับสี่อย่างนี้พี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับแพ็กเกตสี่อย่างในการต้อนรับพระเยซูในการรับเชื่อนะครับประการแรกก็คือ เราต้องสํานึกว่าเราเป็นคนบาปเราต้องมีท่าทีแห่งการกลับใจครับประการที่สองก็คือเราต้องทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้านะครับด้วยการสารภาพบาปนะครับหนึ่งคือสํานึกและมีท่าทีแห่งการกลับใจประการที่สองคือสารภาพทูลขอการอภัยประการที่สามก็คือเปิดใจครับเปิดใจต้อนรับ เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตประทับอยู่เป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดและสุดท้ายก็คือเราต้องตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปและนี่คือสี่อย่างนะครับที่เราจะได้รับการบังเกิดใหม่จะได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ชอบธรรมจะได้รับการขนานนามว่าเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะประกาศ ต่อหน้าทุสวรค์ต่อหน้าวิญญาณชั่วต่อหน้ามารสาตานในโลกแห่งวิญญาณพระเจ้าจะประกาศชัดเจนว่าเราทั้งหลายได้รับการอภัยโทษแล้วพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราครับในเช้าวนันนี้ที่เราจะเข้าถึงการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงและอย่าลืมนะครับว่าการกลับใจใหม่นั้นเป็นอุปนิสัยที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเป็นคริสเตียนการกลับใจใหม่มีค่าที แห่งการสำนึกบาปรับการพระโ ย, ายจาพระเจ้านะั้นเป็นท่าทีเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน